พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องแปดแหล่งออกยอดภูกตีห้าเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปรเรียธรรมพกประโยคนักทำเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนาโมทะสาภะกาววโตตระหะโตสัมมาสัมพุทัะสา อาทาโคสาโดจาตัดสวาจาดังสตปาปาติวาจาดังอาตาสิตีสาทาโดุราสปุริสสาตั้งลายตั้งยิงใจบ้วนหมูอันนั่งอยู่ด่าฟังดีใหญยังไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาวาทะโคสาโนจาดังนี้เป็นตนพิขเวดุราพิฆโคส่งตนทารงสินใสบ่อเส้าส่วนนังนอนเ n o าฟังกัมจาตันต่อแห่งเจ้าหน่อผัวขวัญ แป่งใจมันจื่จ้อยไข่ตอบถอยกำไปว่าแวนคำใสนั่นใสมีกะไนดีดีหัวมันดีเป็นแก้วมีกะและวอกวนเมืองวันละเรื่องบอ่อเศรืบแต่เก้าปิตาขอสาบิกาขินข้าอย่าได้จ่าเร็วปัน ไปตัวพันส้อซอคือได้ปอกมาไว้เดียวไัยไต้หน่อยใหญ่ไปปะใสเอาดีเจ้าบุญมีกัผ้าก็รีบกว่าไปไวเก็บแวนใสหน่วยแก้วกันได้แลออกมาปั่นยกยื่นปันนน่นเบาจ่าแก่นั่งรอลาอนุจา แล้วใครจะตันเล่าว่าดูระานนางนอเนาร้องเพลงนางว่าเป็นคำแดงก้าใหญ่ปีปะใสนำนาตีดอยผาหอมห้วยกลางป่ากุ้ยดงตันยำไปพันสอสหายังยอดไปตองวางยายกองพับไข่ก้อนหน่อยใหญ่แก้มกัน พี่ไปหันแจ้งที่จริงก่าวจี้ตามมีจักเป็นคำดียอดม่อนหรือเป็นก้อนหินพาพี่บ่หนาหูใดย้อนอยากไรเครื่องแกนแก้วและแวนกะใหญ่บอกเคยได้หันมากันสัดีโซภาไข่ไดจุ่ไปสู่ดองตัน ไปจอบกันกับพีจักหันทีกับตาบอยาจักแลน อ, นอาอาโนจ้าหนอเนาฟังํำเล่าสามิกายินสังกาลายแล่จริงก า, าวแก่กาไปว่ากันใสใจเจ้าปี หันแจ้งทีตามกำจุงรีบนำตัวคาไปสู่ป่าเร็วปันกันได้หันแจ้งทีจิงเสียงตีสังกาแม่นเป็นคำคากาใหญ่เราเตียงใดเป็นดีปนเครื่องขีมนเศร้าตุกคำเจ้าเจยบ้านบ่ยาจกแลนา โอนาติวะเสในวันลุนรุงเจ้านอพระเจ้าคนผ่านก่อป้านงครนยอดซอยจากตูบน้อยเฮือนตนเข้าไพสนป่ากวางเปื่อไฟอ้างสแสวงหายังคำามขากะใหญ่อันเคยใดไปหันแต่หลายวันวลวงแล้ว บ่อกาดแก้วลืมลำสองบุญนำนอเดาดันป่าเสาดงไครลัดเตียวไปจะใจถึงดอยใหญ่หินผาเป็นดงนาห่มห้วยกลางป่ากวยใบตองหันคำกองลายหลากดังหัวฉาขัวมันอยู่แกมกันใหญ่น้อย ปูนดีก้อยเล่งแยงพ่องอยู่แฝ ง, งหอมหวยพ่องอยู่เก้ากวยใบยบงังพ่องหันหลังอยู่ตืน้นพ่องอยู่ปืนหินผานางอาโนจ้าโดนเนาหายมนเศร้าเครื่องกาส ม, มานัสาจื่จอ้อยไข่ก้าวถอยกำ ย, ยันว่าสายใจเฮยเจ้าปี แม่นอันนี้คำแดงเป็นของแป้งก้าใหญ่เราเตียงใดเจยบ้านหหยมองผ่านกันยาก <c oughs> หายลำบากเครื่องคีแม่นปารามีจาดแล้วบ่กาดแก้อตัวตันเฮอได้หั่นจกใหญ่กางป่าไม้ดงดอน สรีบังโอนหน่อเนาไขตันเห่าหนาตาวันดาย่อนห้อยจักกาดก็แหลงเลงก็หาบคำแดงตั้งกู่ปอกมาสู่เฮือนตนคุดขุมมนกว้างใหญ่เอาคำใสตึตันถึงยามวันผูกเจ้าสองหน่อเนาบุญนำไปหาบคำแถมใหม่ มาฟังไว้สันเดียวปิกปอกเทียวจะใจดาจักไก่พอเดือนเต็มปื้นเฮือนจู่ตียายโจที่นำนาตั้งสองขาอยากไรปลาโจกใหญ่ดวงลายตุ้งโศกหายกัดก้อยยือจืนจ้อยเจยบ้านแสงกระทำการดังเก่าโบบอกเล่าคนใด บอกฮือภัยได้หูวเต่าดักอยู่คนเดียวเจ้าก่อเตี้ยวเข้าป่าเ อ, าสอลสละหาลัวมาแล่คัวในกาดบอกฮือขาดดังเดิมก็มีฮันแหลนะ ตาตาในกาละนั้นเราพัญญาเจ้าปุรีอาจยามีปงใสแก่ไฟไตคนายมีหลวงลายมวลหมูกามีกูผัวเบียบอเวนสีอามาตังคาถาคนในอยู่เวียงใจเตต้องเรือหนอก้องปาราเร่งดาอย่าจ้าเอายังมาตัวดี ไปลองริทเทเล่นแข่งไพบอแต่งตามกรรมอาทยำตดใหญ่จากตกใส่ตัวมันเสียงเนืองนั้นร้องเปล่าไปตัวดาวเวียงใจตั้งไปในไปนอกพับตุกขอกสีมาฮือผาจาไขไตหูแจงไขจูคนคนกาะิฮันแนนะ อาธาในกาลนันหนอพุทธาหนุมเนาก็บอกเล่าเจียนจากับอโนจัดหยอดซอยว่าปีนี่ถอยอานาถาแต่เกิดมาถึงใหญ่บ่หูไฟ่จบทองบ่เกยปองหูแจง้งว่ามาได้แข่งเรียวไว้มาตัวใดแเล่นจา้ารือเป็นมาเจียงคาน อันจะหารหาเท้าแข่งกับเตา้าอหอกคำเป็นมาดำมาโกงบ่หูลงค้าคุณเป็นมามุนจ่วยกรรมหรือเป็นมาส้ำอนต า, รายรพี่บ่หมายหูใดคอยกไว้ปันนางจุงหาดาังซื้อไว้ถึงเมื่อไกลวันมาจาักได้ป่าไปแข่งตามเต้าแต่งตกปันแลยนะ ้ังสุดตาส่วนอ น, นุจารณเนาฟังก ร, รมเจ้าสามีกาก่อาคำคาดลายหลากนับแต่หากสามพันรีผ <c oughs> ภายพันไปสู่ยังติโยเศรษฐีอันเป็นดีมีมาซื่อขายกว่าตั้งวันเศรษฐีหันนางแก้วมารอดแล้วเกหา ก็พุทธาทำต่อวาดูระนนอนางยิ่งนางคานิ้งใจไฟขึ้นไข่ใดสังจ้าจริงจักมารดนี้จุงกาวจี้ตามมีนางชมสียอดซอยก็กาวถอยไข่ปันว่าขึ้นใจพันไข่ใดยังมาใหญ่ตัวงาม เอาไปจมแข่งตากับเจ้าฟ้าราชาจุงคุณนาขขา่มาเอแก่ข้าสักตัวแด่เตอว่าอันตินันเศรษฐีหลวงปูเทากอตันเอากำดีว่ามาเรามีลายลากามันมากน่านำสามพันคำกดไว ตัวน้อยใหญ่เสมอกันตัวสามพันเป็นมันต่ำกว่านั่นบ่อพันวางกันว่านางไข่ใดยังมาใหญ่เล่นลายเอามีลายปอเลือกมากองเผือข้าวเคียวมาหางหิวหลังแอ็นมาหน้าเด่นแดงดำจุงวางคำใส่ไว้เลือกเอาใดตามเปื้อนดเตือง เมื่อ น, นั้นอนเจ้าน้อยนาจมชาลาสประการก็จาวานท่า น, นเรล่าซึ่งปู่เทาเศรษฐีว่าข้ายินดีแหลกซื้อ <c oughs> ตามปู่เหอไข่กัมมาลุงนำลายลาคานี่หากเป็นยิ่งยังขานิ้งบ่อจอดกึดบ่อรอดทันใสจักเอามาได้เป็นแก่น มาาด่นผอมพี่มาได้ดีบ่หูเต้าจากซื่อปู่ตามคำสามพันคำใส่ไว้เอปู่ได้บัดเดียวข้าจากเร็วคืนสู่ยังตีโอยู่เกาหาเอสามิกาแห่งข้า มาเลือกมาวันเฮือเอาเจือกืออันใหม่มาสวมใส่นำไปกันจากใครเสียงขาดนางน้อยนาอโนจาเอาคำขากามายืนต่อหน้าเศรษฐีและ อ, อกรณีขึ้นสู่ยังตีอยู่เือนตนอันอยู่หนไปนอกตี่ข้างขอบเวียงใจ แล้วจากใครบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงไปด้วยผ้าริยายที่ถอยหื้อเจ้ายอดซอยสามิกาแล้วก็จะตันต่อว่าแต่เจนพ่อสอนใครว่ากันจากไปซื้อมามาแข่งตาจำลองหื้อเอาตองกล้วยอ่อนไปวางบนมันเดียวมาได้เรียวขามยำ <c oughs> ตองบอดจำเป็นห้อยแม่นดำมอยน้อยใหญ่ฮือซื่อใดเป็นดีจักเป็นสาลีลำเลออิดือบังเกิดมงคลขอฮือตนปีเจ้าไปป่าเศร้าดงนาเอาตองมาลายยอดฮือมาตอดตินตำเตียงสมกำไปอ่างบ่อเป่าว่างเสียลืมจะลยนะ ตัศวีพาตาญรัติียกันคืนนั่นแล่รุ่งสายฟาพุ่งเรื่องไรเจ้าใส่ใจกำบผ้าก่อเข้าป่าหาตองได้เป็นกองลายหลากแลออกก่อผ้าขึ้นมานางอโนจ้าหยดซอยก่อกกาทอยไขคกัมหวานองค์คำปีเจ้าได้ไต่เต้าเตียวไป เพิงเวียงใจแต่ต้องเข้าเขตห้องเศรษฐีไขว่ตที่เก่าฮือเศรษฐีโหขำหนแล้วเรียวไว้ย่าย่อนเอาต้องอ่อนวางดูตี่าตัวขอกมานั่งอยู่ท่าดาดีฮือเศรษฐีร่องบอกปล่อยมาออกมาปันตัวได้หันห้อยย่ำต้องอ่อนจำเปปัง จะได้วังไฟเอื้อบอใจเชื่ออาจจะได้แม่นตัวได้มาย่ำตองบ่อจาเป็นห้อยจุงเปีย้อยือมันเอามานั่นมาปันถึงตัวมันบ่อใหญ่ต้องก่อไก่ปุ่มลามถึงบ่งามก่อแล้วเตี้ยงเป็นมาแก้วเจียงคาน นอโปธิที่านกำฟ้าฟังดังว่าจะใครก่อเรียวไว้ฟังฟเฝ้าไปสู่ดาวเศษรษฐีไข่กำดีบอกเราเออหูก้าอตามไรและอผ่านภายไปก่อนเอาต้องอ่อนลงวางตัดกางตังพระตูขอกปล่อยมาออกลองจำ มาตัวงามใหญ่น้อยมีห้าร้อยกานาฟดออกมาคำย่ำตองแตกจำเปะฟังเจ้าเอายังตองใหม่มาเปลี่ยนใจเร็งไว้มาตัวใดก็เลวบกัดแกอหันห้อยดาวมดซอยห้าร้อยข้างมาน้อยตัวเดียว ดูบ่อเร็วแต่สดผางไร่โหดเลือดตาพนออกมาหลังหมูยกตีนสูบไม่ตองอันวางห้องไหวหันมาตัวนั้นเดียวปอยบ่มีหอยตีนยำตองบ่จำเป้ปังรอพุทธังหันแล้วใจผองแผวยินดี บอกเศรษฐีผู้ใหญ่เฮือมัดไวเรียวไว้ว่าเป็นมาใจแห่งคาจักเอากว่าบัดเดียวเศรษฐีเรียวบอกจ่ารีบมัดมานำมาแลกก็จ่าตันต่อว่าดูรนอใจรามาตัวงามบ่อน้อยมีห้าร้อยเป็นธราร สันได้จ้าตัวเจ้าบ่กึดเหล่าจะเติ่งพ่อเอมาเพิ่งใจมันตำจ้าสามันหนังก่อนยานผอมเปิดเมื่อมันเกิดพดมาแม่มันกาก้อยก่าจริงบ่อาจจากปีมาดีดีมีมากเจ้าจุงลากไปตอมส่วนมาพ้อมนี่ใสจุงลาไว้สันเดิมแเติม วันเมื่อนั้นตุกขตาผ่านกำพาก่อตาลว่าตามีว่ามาตัวดีตัวใหญ่ค่ะบอกไฟใจเธิงย้อนรำเพิงกึดเรา <c oughs> ถึงตัวเก่าเองเดียวตัวก็เที่ยวกำพาเพิงขีมาหนังยานตุกกระผ่านเป็นกู่คนจูผู้หันสม เจ้าดมกล่าวแล้วก็จูงมาแก้วเตียมใจรีบเป็วไว้ไปสู่ยังที่อยู่เกหาบอกอโนชานอเนาหฮ้ ห, หูก้าูตามี <c oughs> นางชมศีนยอดซอยก็ก่าวถอยกำยั่ว่าใส่ใจเฮ้ยเจ้าปี่หากแบนตีตามกำเป็นมาคำ ม, มาแก้ว จ้าคือแล้วมโนไดเป็นมาใจโจกราบอันจักภาพสัตวูขอบุญจูพี่เจ้าก็อย้พอเฝ้าเล็งแลแดดเตอ <c oughs> กันถึงวันมารอดนางแก้วหยอดอานุจ้าก็ใครจาบอกเล่าแก่เจ้าพวกควันว่าพี่อย่าพันเร่งมาล่ำเจ้าฝ้าราจา ถึงมาราเร็วกว่าพี่เจ้ายาได้เหลือเราเป็นเครือไฟ่ไตเชืออยากใครคนผ่านอยาได้หานลํำตเต้าเยะเยี่ยวตันหฮาโกธาเจากริหาตดใส่หือเดือดไม้บวมไม้ขอบุญภายพี่เจ้ากดจือเล่าแถมหนปียนจือตนแถมไม่ กันต่าไทายถามดูเฮว่าจือ้อายหลานกูว่าอันเป็นจือจันปีตาหากใส่มาดังนี้เฮกาวจี้สัดจังห <c oughs> น่อบุดทังฝังแล้กก็ขี่มาแก้ว อ, อาจารย์เข้าปาราตดต้ดองถึงรอดห้องสนามหลวงคนปันปวงมวนหมู่แวดเฝ้าอยู่ดาหัน ห้องจากกันยอดใยว่าไยขี้ไรตกผ่านมานังยานเถิบถทบจักงไปผาบสังจ้าพ้องก่อจ่าหยาบจ้าว่าายกำผ้าตัวพอมมาบ่อต้มของยองหากบ่อแม่นจองเดียวกันเสียงบีนั้นตัวดาวไข่หัวเศร้านั่นเนือง ตนบนเรื่องกำผ้าบ่อตอบตากำได้บ่อจะใครเก่าเต้าดักอยู่คนเดียวก็มีฮันเละนะตาสมิงคาเนในคา น, นันใสตาโอนยศใหญ่ราจามีอาจญาป่งขาดเื อ, อามาดคนใน ตั้งภผยไต้ใหญ่น้อยมีเป็นถอยดวงลายแบ่งเป็นสายเป็นหมู่จูงมาสู่สนามเจือลองจ้มเล่นแข่งแม่นมาแห่งคนไทยแหล่นเร็วไวลำนาเอาไปตาลองจามกับมางามตัวใหญ่แห่งเต้าไทยห่อคำ คนนำสะสูแบ่งเป็นหมูเป็นสายขี่มาภายหกเล่นมาฮีเห็นเรื่องนั้นฝุ่นเป็นควันมามุงธูลีฟุ่งไปบนจุมหมูคนหร้องสนั่นกองดินด้านหน่อปู้ที่ญานกำพาก่อขี่มาเตียมใจ มาเรียวไวขึ้ น, นา้าลำหมูมาตั้งลายไผเบ่หมายลำได้แข่งจ้าใจหลายตีมาตัวดีแห่งเจ้าก็แพ้เล่าจุหนจุมหมูคนตัวดาวร้องเอินเกาอัศสจันมาลายปันแข่งตาบ่แพ้่มาคนผ่านแข่งไปนานสุดซอย เหลือม า, nói, าอน้อยเดียวได้ก็มีหั่นเลนะเมื่อนั้นพระญาตนดายดใหญ่เป็นเจ้าพัายพระเจ้าหั่นนอร์พุทธาน้อยนาที่มาอาเรทวไว้บอกกันภัยสักผู้ หยอบอยังอยู่เดียวได้เต้าพันภายบอกจ้าขึ้นขี่ม้าจะในาตัวเตียมใจหัดเท่าไปสู่ดาวหนอพุท ธ, ธามีอาจญาบอกกล่าวว่าดูระบาวใจรามึงจุงจามต่อตากับเจ้าฟ้าตนกูเฮอคนดูตัวหอง ได้หัวสองหันใส่ว่ามาไฟจากแป้หื้อหู้แน่บัดเดียวแล้วรีบเร็วขี่มาไปก่อนหน้านำตาเจ้าบนขวางน้อยนาดขี่ม า, าเตียมใจรีบแผลนไปฝั่งฟ้า อ, อก่อตันเต้าบัดเดียวคนเกี่ยวเกี่ยวหอร้องสนั่นก้องสนาม มาตัวงามเจ้าฝ้าหกเล่นกว่าเร็วไวมาเตรียมใจแห่งเจ้าก่อเล่นเข้าตัวตันกันจักพันุขึ้นนาเจ้าจักกว่าหนหลังหมอกเปียงยังมาเต้าบ่อดวงดาวไผ่ไกย้อนใสใจหยอดซอยงามจืนจ่อยอโนชา ได้บอกมาแต่เจ้าว่ายาลำเจ้าเนื้อหัวย้อนว่าตัวเป็นไผ่แปะเต้าไทยราชาเยี่ยวไผ่ ย, ยามาตองในแห่งห้องสันดานหลอบผู้ที่ญานหูไข่จักมาไว้เพียงกันคนเล่งหันตัวดาวโหวรองเศร้ายินดี เจ้าบุญมีกำผ้ากับเจ้าฝ้าห่อใจแข่งกันไปถึงค้ามไผบ่อลำเรือไผ่เจ้าห่อใจหยดใหญ่มีใจไฟจมบ้านสึ่งมหานตัวน้อยแห่งใจถอยอนาถาจริงสัญญาบอกแจ้งฮือยั่งแข่งบัดเดียว แล้วจะเลี้ยวตันต่อซึ่งเจ้านอพุทธาวานามจือเก้ามึงมีเหล่าสันใดมาตัวไว้องอาจเกิดจากจารค้ากุณหรือมีบุญเติมแทงได้จากแห่งใดมาส่วนเกหาแห่งห้องมึงอยู่ต้องแดนใด จุงจะใครบอกเราหือห ก, ก้าตามไรยเจ้าบุญไผ่หนอไทยก้อน่อมใบทุนสาร <c oughs> ว่าข้าแดพระผู้บ้านปินเก้าตนเป็นเก้าปาราจื้อข้านีนาผังไร่จื้อว่าไอหลานกู บ่อเพิ่งหัวแต่ใส่ป่อใส่ไว้เดิมมาสวนอัตสามาน้อยขาคนถอยตกผ่านกาตำการรับจ้างเศร็ที่อ้างแป้งปัน่นจริงยกปั่นหื้อขาไววแข่งตาตามคำแห่งองคำตันเต้าได้ร่องเปล่าเจ้าเมืองขาขนี่เครื่องกันยาก ตุกลำบากอนาถาอยู่แก้หาข้างคองคนไปนอกเพียงใจเจ้าก็ไขรไวเก่าแก่ตันเต้าจูพากานพระผู้บานยศใหญ่มีใจไฟแปงปันตกรางวัลหลายแหลยืนปันแก่นอพุท ธ, ธเจ้าก็ลาขึ้นสู่ยังตีอยู่แห่งตนก็มีหั่นแลลนาะ ตาตัวปัญญ า, าเรกแต่นั่นไปนาบ่อเดินจ้าหึงนานพระผู้บานยตใหญ่อาจอยาใส่วางตำ <c oughs> ว่าตนองคำเจ้าฝ้าจักเขากว่าดงตันย้อนใจพันไฟอ้างไขได้จ้างกว่างทารายเฮคนใจไพ่ฟ้า ขึ้นขี่มาตัวไปเครื่องขวัวใดน่อยใหญ่อันจากใจไปนานคือเข้าสารพิกแห้งจุงเือแต่งนำไปแม่นคนใดเว้นคาเตียงบ่อกาดมาราณาย้อนอาญยาเต้าไทายจักตกใส่ไปลุนบ่อยาจะเล่นา ส่วนนางอานเจานอเนายินว่าเจ้าปุรีอาจยามีมารอดว่าหืยยอดพัวควันได้ภายพันเข้าป่า <c oughs> เปื่อซอลากวางฟานกับพระผู้บ้านยศใหญ่นางร่อนไหมเเรือใจก็เรียวไว้หนึ่งเขาสุขแล้วเหล่าเอาต่ำ เือเดียวนำเป็นแผ่นเต็กเฮือแน่นเป็นพื้นบ่อเจ้าจืนตาแข้งแล้วตกแต่งเป็นกุบอันจักซุปเข้าป่า <c oughs> กับเจ้าฝ่าราชานางรีบด้าแต่งไหวเฮือพร้อมไขวจูอันอันกอมีฮันแลยนา กันถึงวันมารอเต้าตนยอดปารากอปาเสนาอาหมาัดพาจราดคนในออกเวียงใจแต่ต้องไปสู่ห้องปุริโยธามีเป็นตาย่อมขีมาจูคนคนเข้าพราสนจะใจกอป่าใสกวางคำ กางดงดำป่ า, าเศร้าลงแหลนเขากังวงเจ้าหอคงตันเต้าก่อร่องเป่าเสนาวาสูจุงดานยับไว้ไผอย่าได้ฟันแตงยังกว่างแดงผิวพองเอาเจาะกองเรียวปันแหว้องกันฮื้อแน่นยาฮื้อแหลนหายมีแม่นกว่างดีพดรอด ตัดติจอดคนได้ดาบคมใสวาวาดกูจักปาดขอมันจุงเร็วปั้นมวลหมู่มาแวดอยู่นำนา <c oughs> จุงโยธ า, านมเทานินกำเจ้าเนือหัวเขายินกัวลายแหล่รีบล้อมแผ่เป็นวง พ่องก่อลงจากมายืนอยู่ท่ากว่างคำพ่องก่อกำได้เจือตาเลื่อมเลือกด้วยกวา่างพ่องก่อดางเจ้งเก่าจักเต้นเข้ากำเขากว่างงามเล่าเข่าตั้งตกสลังเวิลนเล่นพัดมุนหลายปอกบอกหูออกตัางใดก็เล่นไปพดรอดตัดติจอดราจา <c oughs> หกสีขาฟังเฝ้าเข้าสู่ดาวดงทันเจ้าห่อจันยดใหญ่ลวดไอไฟคนในจริงเด่วไวขี่มาแล่นจอมกว่ากว้างคำเสนาหนำวนหมู่ก็หลังลู่ต้อยหลังเสียงพอดังมีกองสนันหองดงดาน นอปูที่นานอยอดซอยขี้มาน่อยตัวไผ่มาเจ้าไว้เลือกว่าตันเจ้าฟ้าบัดติียวสองคนเร็วกว่าหมูตกไปสู่แดนไก่ส่วนคนในไผ่น้อยก่ออิดม่อยหิวแรงมาบ่กแข่งตุนจ้าก่อนยังทากังหนพ้องลงไพรสนป่าเศร้า พ่องปอกเตาขึ้นหลังนอปุตทังตีไว้กับเตาไทายฟูรีมีมาดีองอาจเชื้อสินธุรชเร็วไว้ตัวกว่างไปจะใจบอกฮือใดหายตากวางดงนาไว้แว่นมาก็แเล่นเร็วพันถึงตาวันต่ำก้อย ลับเหลี่ยมโนอยอยู่กันทอนกวางดงดอนตัวกาลวดเข้าป่าหายไปก็มีหันเลนา่ากันกวางคำตัวกาเล่นเข้าป่าหายไปตาวันใส่ตกตำลวดมืดคำจนตานอพุทธานมเล้ากับเต้าเจ้าปุรี มีมาดีเป็นกูตกข้างอยู่กังดุงเหตุว่าลงดาวป่าบ่าหูกาตั้งได้หันไม่ให้ต้นใหญ่ <c oughs> กิ่งการไขเฟื่อยนาตั้งสองขาหิวหอดก่อเข้าจอดเจ้าแรงเจ้าจอมแป้งต้องไม่ก่อปาดกุบใหญ่มากิน จ้อมนารินเจียงเจ้าต้องไม่เอาเสมอกันเต้าเล้งหันดูหลาก็ออกปากถามดูว่าไอหลานกูหนุ่มเนากูมึงเป็นเขาจะรือสั่งเอามือบิดวาดเกี้ยวขวาดขวาดลื่นลงหนอพุทธองค์ตันเล่าว่าเป็นเขาปุกงา ภาริญาคาไทายหากแต่งไว้ย่อปันยมตะวันแดดไม่ก่อซุปใสเนื้อหัวยาเ ม, มื่อตัวอยากเขาก็กินเหล่าตามใจเจ้าจอมไตย nh ยศใหญ่ฮุนบูไม่ไปในยินมีใจอยากเขาก็ตานเหล่ากําไป ว่าจุงเรียวไว้มีดปาดเือกูราดลองจามตนใจรั้หนอแก้วกอปาดแล้วโยทะไหวตั้งสองใจคาเจ้าซุม่มกินเขา้าปุกงาปอจากดาเสียงขาต่างคนปาดเอากินจอมนารินอิ่มแล้วใจผ่องแผ้วใจบ้านก็จาวานต้านต่อซึ่งเจ้าหน่อคนเที่ยว กุเข้าเหนียวกินได้กุปกูนี่ใสเป็นคำกินบ่อล้ำเหมือนเขากันปอกเตาถึงเมืองกุบ ค, คำเหลืองกามากกูจากลากยอปัน <c oughs> เป็นรางวัลกาเขา้าเฮแก่เจ้าลานกูเตาบุญจูยอดเงาไข่ต้านเกา่านาหน้ า, น า, นาตั้งสองขาอ่อนมอย นอนแล้วมว่อลบไปก็มีวันนั้นในะน้นาเนธีตั้งขีญยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุแปดแหล่งออกยอดผูกทวนหาบ่อนเดินจาหึงนานจากปรีญโยาสานสุดซอยอดใจก่อยฟังไฟกอบังกุมสมร็ตเสร็จแล้วตอานี้ก่อนและ